สมจจบนบานน้่นก็น่านใหเรีย น, นไม่ฉันนะครับนี่หลวงฉันก็มองแล้วพ่าเหมุนเลยถ่านก็ร้อนใจนะครับคุณโอ้พ่อวิจัยว่าไม่เป็นปราชิตนะไม่เป็นอาหมัหนนพราะทนมีรู้ต่อไปความว่าไม่มีความประสงคชจะให้ตายนครับความว่าถึงผู้ตายด้วยความพยายาของพิสุขผู้ไม่ต้องการาให้ตายก็ไม่ต้องอาหมันนเหมือนในเรื่องของการสัญญาเปนต้นนะครับ คือมีความพยายามนะแต่ว่าไม่พยายามเพ่ต้องการให้ตารนะครับแล้วก็เรื่องของที่สูจนรูปหนึ่งนะครับถ้าเป็นคุณประกาศพิสูจน์ผู้เข้าแต่กูนะแต่โกูเนี่ยเด็กพี่คนนี้เป็นหญิงหมันที่ไม่มีลูกนครับแกต้องอยากได้ลูกมาปรึกษาที่แหลช่วยทำยาให้หนอยแกได้มีลูกนะครับถ้าก็คงยาให้เลยนครับคงเสร็จแล้วก็เอาแกไปดูดคนนี้แหละการใช้แกมีลูกนั่งทานนะครับ แต่ว่าแกกินุกตาเนารุงถูกต้วงยังไงนะที่ถึงยนร้อนใจนะครแหมมาถามพี่จ้านะพ่ตมก็บอกว่าไม่ไม่ไ่องอาบนะครับพ่อไม่ยอมส่งให้ตารจะส่งให้เขามีลูกนะไม่่ใ้ตายนั่นยังไงปิดแต่ว่าตายทุกคนนะเพว่างานทำยานทำย้ายคนที่เป็นพอแม่้ อาร่เป็นปัาที่บังไหครับก็ไม่เป็นครับคือถ้าไม่เป็นปาที่ไม่เป็นปัที่บังนะครับไม่นด้ไม่ได้งเลยครับมันอยู่ที่จียจ์จนอยู่ใช่ครับสำคัญนะครับแลวก็นะครับคำว่าไม่จงใจเป็นต้นคือสร้างวิสัยดังที่ได้พนันมาีนี้อ่านบฏิสิขานี้จะเป็นสีลับบันะครับสีบังเลยปัญหาที่พ องานวัดสุขามบนนี้มีองค์หคือ่งสัมีชาติเป็นมุษนะครับต้องมคนนะโอ้ยล่าให้คพราบานเราไนี้มนะครับอยู่ในพิมีจังหวัดขุนนะและวเหตุการณ์ธรรมาการเสียข้ปัินะเดี๋ยวพูดฟังนะราบานเเนี้เสร็จก่อนไม่ครับสัตมีชาติเป็นมุษต้องคนเท่านั้นสุขาบนนี้มีจุราชี สองรู้ว่าเป็นสัตว์มีชีวิตนะครับแม่อมานุตนั้นะคือมาุตเหนื่อยตอนแรกนะครับถึงเราก็ใจเสือกเป็นเอกสารใช่ไห ม, มอย่าเรื่องฆ่าแพ้เมื่อวานถ้ามิตรมารุตไปนอนใครับอะไรก็จะเป็นแพ่อยู่นะเราไม่ฆ่านะครับรก็เป็นปัญาาหาชีวิตดีเพราะนั้นะเอ า, านนความรู้ว่าเป็ น, นสัตว์มีชีวิตเป็นมาเขาเป็นมนุษย์จริงๆนะเราก็รู้ว่าเขามีชีวิตนะครับ มีในข้อสงเป็นสามน่าให้เกี่ยวแต่รู้ว่ามีชีวิตเราสามมีจิตมมที่จะข่าวมาจักรจิตตามมือราจิตที่จะฆ่าอย่างสำคัญสี่มีความพยายามครับด้ววิธีการหกอยางเมืี้นะอย่างไาก็ได้ห้ามนุ่น้ำตายด้วยความพยายา ม, มาายนะเมื่อเขอโอมนะก็เป็นประหอาดที่สิดสขั้นวันนี้เป็นอธินาทางสมิธานอธินาทารสมิธานมีอะไรมากครับจากจิต การจิตวาจาจิตการวาจาจิตนะครับนม่วันท <are they> ี่เราจสุบหานะครับไม่เลยนะครับการจิตมันต้องมีอยู่แล้วพ่อคราการจิตฆ่าหรือตายไหมมีจิตที่จะฆ่าแล้ว็ความพยายามไม่ายนะครับวาจาจิตก็สั่งว่าหรือว่านม่หมดเรียวาจาหรือเปล่าไายมันจะไปหรือไมแล้วก็การวาจาจิตนะครับช่าง้วรจะฆ่านะ อยู kind of ่ทั้งสังทั้งมหือดูนะครับนเป็นกิริยาต้องกระทำจะทำการฆ่าหรือวาสั่งใานะครับสัญญาที่โม้ค้นได้ก็ไม่รู้เพราะไม่มีสัญญานะค้นได้ก็ไม่มีเหตุไม่มีเจตนาจะข้านะครับก็พูดช้ากว่านี้ได้สัิจการก็้วก็มีจิตเท่านั้นจิตที่จะฆ่านั้นจิตแบบไปนามรวมของวัชชานะใจตอนถนัด่านะไปดูศนอย่างเดียวที่เป็นโงสนะครับ เป็นกายกรรมก็ได้ก็จีกรรมก็ได้าตัวส่วนว่าจิตพุ่งเมรนายจบการขึ้นมาด้วสาวิขาดสี่ห้าหกต่อต่อไปคร e ับต่อไปยังไม่ขึ้นสิกขาบทที่สี่ไมผมจะเรื่องวิมีแต่วัตถุกไม่ฟังนะครับวิณีแต่วัตถูกก็คือเรื่องที่พระธเจ้าทงนิสัยแล้วนะครับที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลนะ ความจริงมีทุกสิขาหมดนะแจะสิขาบางคนก่อนมแนม่แรงมาไอ่ฟางนะล่าก็จะเข้ามาไม่นยุดนะแต่าคาริยก็จะล่างหมดเลยนะแต่ว่าเขาข้างล่ามันสรุปสรุปเลยนะไม่ได้เลยอยู่หน้าสองล่าสุดสุดไปนะอยู่ต า, มาไม่ถนัดผมบอกถ <c oughs> ยงในดวงตาเลยฟังฝ่าหัวก็ไม่ได้แต่ว่าถูนะเรื่องเจ้าขอนไม่มีใจใช่ไหมมันเรื่องแรก เรื่องเดียวการพนาก็เลยสัมมาราณที่สุดรูปหนึ่งอาภาแล้วปวยหนักเลยนะที่สุเท่าหายได้นา็นหนึ่งความตาแต่ที่สุดนั้นด้วยความปรุงนเพราะว่าสองสามาการหนักการหนักนะทว่าถ้าตั้งตายแก็จะสะดวกกว่าจะดีกว่านะครับก็เลยานาเป็นความตาด้วยความตรุงนาแต่ว่าไม่ใช่ความปรุงนาวนะมีความเด็ดให้ตายเขไปด้วยครับของเ่ยนะแต่จริครับที่สูนั้นก็ ทำโยใตันครับหมข้าม น, นั่งตเรื่อปายน้ำมนข้ า, าเลยที่สุแล้วนั้นก็มีความเกียดก็เลยจะคืบหาที่ข้าคือข้าว้าวแต่าอรทั้งหลายพวกเธตเขปลาชินแรนะรัเป็นต า, า, ารงตาอองาชิ้ น, นะนมหมดเลยนะครับรอันที่สองเดี๋ยเรื่องการนั่งท่ำเด็กตายนะครัที่สุด ร, รูปหนึ่งนะ่างก็ข้ามีประมาอหู่มบ้านนะครับแล้วก็กลัวสนะให้ท่นนะแล้วข้าเก่าวคุงพอนี้มีเด็กเขาเป็น อยู่เวลาข้างหน้าครับที่เขาฆ่าภูมนะถําไม่ได้ไปเจรนาไตข้างเข้าเหม็ตายนะรูปนี้ก็ไม่พูนกรณีที่อมุกนาครับก็มีสามเรื่องสานะไา่ฟังในที่ข้ามุ่นาแล้วี่สีเรื่องเขาก็ค้ายากันนะครับก็มีไม้ค่อใหญ่เข้าไปลองฉันกันนะที่สุดนี้ก็ไปเหยียบไอ้ไม้ค่อใหญ่ที่เขาทาเป็นข้อของเขาพอมีไม้นะครับก็โม่อะไรอย่างเงี้ ม้มก็เซไปเข้าเหนี่ขายนตอนนีเพราะมันเป็นเท่านั้นนะถ้าเรื่องวสุผู้เท่าสามเรื่องนะครับคือเรื่องพ่อแลลูกนะนี่พ่อมาที่มากด้ขางผู้เท่านะลูกยังหนุนอยู่ล่งอะไรบอกพ่อไปอะไรเด็กก็สอกำารอแล้วนะก็เลยขังพ่อไปแต่ไม่ที่จะให้ตายนะต้อการพ่อไปอะไรนั่นแหละพ่อแก่มากนะรบมรยะฆ่าหนุนก็ไม่เป็นหรอแต่ว่าจะมีสามเรื่อง เรื่อแรกไม่ได้จินตาให้ตายใช่ไมตายแล้วมีสองตั้งใจถให้ตายก็พ่อตางกินอันนี้เป็นประการทีนหนึ่งแล้วมีสามก็ตั้งใจให้ตายก็แต่พ่อไม่ถึงตาตายนี่มันถึงจะจบอันนี้สาเมื่อแล้วก็เรื่องเนื้อติดคอก็มิี่รชนะแข่งหนึ่งนะยุริชนะเป้าเนื้อมาติดคอท่านก็อีนู่นหนึ่เอามืคลุกคอเป็นแค่เรื่องหนูมาแล้วเป็นแค่เนื้องติดคอหนมา ปาแต่ว่ารูปนั้นตางมรณะายแล้วมันเปนเรามอที่ทำแรงกนไปนะแต่ว่ารูปที่คุก็ไม่มีจิตนาลอย์ไม่เป็นประชิดแต่รูปที่สองมีจิตนาลอย์เป็นปรนาชิดแต่รูปที่สามจิตนาลอย์เขาไม่ตายก็เป็นเสใจเหมือนกันนะแล้วก็อนุาตที่สองเรื่องครับอนุญาตที่หน้าสามเมื่อกี้นะพิสูจน์พิานารุ่มนครับและพิสูจน์รุ่มหนึ่งแก้องการทดลองอายามที่หน่งมันมีฤทร้าย แ, แน เัืไม่ต้องการยาฆ่าคนต้องการเพือลองยาที่งเกลียยาทิ้งให้เพื่อนกินนะครับเพื่อนกินมอหน้าท่าเลยครับอันนี้ไม่เป็นสารสิงค์นะแต่เป็นถุงกะจาพอมันการขนน็อย่างทิ้งนะครับแล้วก็เรื่องต่อไปถ้าเรื่องสร้างที่อยู่อาศัยต้องเกี่ยวกับเรื่องของมิสุทธิชารีนะครับก็สร้างที่อยู่อาศัยสร้างตินะรูปที่อยู่ข้างบนนะครับรูปที่อยู่ข้างล่างย่อสีต้นใหญ่นั้นส่งมให้เรา กูอยู่ข้างมล่าก็มีนะครับถึงต่อมาใส่ที่อ้าหมลาข้ามเลยครับนี่ก็มีปราชิ์นะครับอข้อมล่ไม่ได้เจตนาเลือกนรองอะไอ้นี่ก็เป็นสามเรื่องเหมือนกันนะไม่ได้เจตนาก็ไม่เป็นพื่อนรามีเจตนาก็มีปราชิ์ชีพมีเจตนาแตก็ไม่มาเราจะถวาจยะครับพวกสามมสามดุจใจเหมอนกะครับแล้วก็เรื่องที่เหมือนกันถ้ยกอีกทีนะสองต่อครับคนู่้ามลไม่ดีก็หล่นมาใส <met> ่ท <înt> ข <respect> <mel arbeiten zych Screw> ้างหน้ามล่าข้า แล้วก so ma, so so. ็เ like รื่องนีดสองมีดนั่งอนกันนะครับเรื่องไม้คอส่งไม้คอเรื่องล่างน้ากลางของแท่งเป็นรูปหนึ่สัให้รูปหนึ่งเลยไปยืนตรงนู้นเรนหลงรงนู้นพวกนั้นไปยืนก็ตอกบมาตายอันนี้ก็นเป็นภารชื่อข้อจิตนาแต่อีกสองก็เหมือนกันนะรูปที่สองข้จินาถ้าไม่ถึประราชีรูปที่สามข้อตงมาแตไม่ตายเป็นถึงนั่นนะครับแล้วเลื่อนให้ลงครับมุมหลังทางเสร็จแล้วบอกให้ลงทางนี้ ตอนนี้ก็ลงตามใช่ไหมลงตามนี้เราก็ตอบ่าแล้ว้านะครับก็มีสาหนึ่งกันแล้วก็รึตอบสเรื่องนะครับก็มีที่สู่รูปหนึ่งนักสารมากนะครับก็ผสมคุ้รุมเนี่ยมีการผสมขามาข้ามต้นครับข้ามเลยที่จะเสร็งนะเกยไปเสร็งแล้วนะครับทีนี้กลับขึ้นมา้าแล้วก็ไม่เสร็จหว่าเป็นค่าหนึ่งแล้วนะครับข้าแล้วเราตาตอนนี้นะ เาอยู่ขอตายเราตายก่อนที่สีเหนือที่หน้าใช่มพอสึกไปถึงว่าสีของข้าเสีเยหมดเลยครับท่านขอให้สีมอยู่เนมะื่อเราตายข้า ไ, ได้ในสีขึ้นได้ก็เลยไปโดเดเหีียวตายครันพอดีโดโดลงมาไม่ตายนะแต่โดดลงมาทับชาติสามครับช่างสารพวกสารม้าสารอะไรเนะี้ยนะช่างสารตายแทนแล้วที่โดดลงมาไม่ตาย แตาที่สูข้ามไปหลงเหี่ยวหลตายนะครับก็ถือเบอกทุกคนนะไม่ใพาะการหลงเหีวหลงเขเหี่วนะและในการทยายข้ามในสารนะครับแล้วมีใจที่ม่าละแนนะครับก็ถือเจ็บาทุกคนทนั้นะและที่ศินานะครับพวกพระมทีว่านองละเล่นที่ศินานเ่นทีมามาเขานะก็มาข้ามคนเลี้ยงคอ่ะก็ไม่มีปัญหาเชื่อว่าจะมีจิตนานร่อข้าคนนะแต่ว่าครเป็นาปทุกคน กินสีน้ำเล่นนะที่หน้านะครับเื่อนึงตัวสามเรื่องครับอันนี้เกี่ยวเรื่องที่สู้ป่วยครับแล้วผู่ต้องหายเ็าคิดว่าจะช่วยยังไงเนี่ยูกลกไปส่เรื่องในนึ่งตัวไปอมย่าของเราออกไปออกมาคนที่ปวดครับออกเยอะเกินนะอะไรนะครับอันนี้ไม่มีเจรณาเพราะมัมีาลานอครับถ้ามีเจราเป็นบาลานซใช่หถ้ามีเจรณาเขาไม่ต้าวถึงใจอะไรต่านมันเคยมีเรื่องเกิดขึ้นตอนี่อยู่ลาง ข้าไล่ฟังนะไม่ใช่จมเกิดได้หูอยู่นะข้าล่ฟังไม่เลือกยาโยก็ทํมุกอบยาครับแล้ข้าก็บอกแล้วแกก็ล็อกประตูข้างนอกไว้เลยนสมไปก็แทนที่เลยนะใ้ได้ไปนมือรับขานเลยครับแต่แกไม่ได้เจตนานะก็ต่างใจดูดแกล็อกประตูข้างนอกทำไ้างก็ออกไม่ได้เลยครับเออจึงลืมไม่ชิครับนั่นไงผมผมผมแกนึกว่าผมกเชื่อไง ไม่ได้นะคถ้ารอบรอบข้างในรับข้างในอย่งนี้รอบข้าอางน้รออีรบนะรับแล้วก็เรื่องนั่งยาสามหนึ่งเหมือนกันะครับห้ที่ถูดป่วยนั่งยาให้นั่งไปนั่งมาก็ตายนะครับเรื่องนวดเห็นว่าเขเจ็บป่วยไปช่วยนว่วอครับนวไปนวมาตายนะถ้าไม่ไป็นไปนวดก็ยิงตรงหัวตรงไหนนะบางก็ไปกึ้นหัวอะไร่างเี้ครับขับหัวขับหัวอันนี้ไม่เจตนาไเป็นครับ ไม่ให้อาบน้ำสามเรื่องเหมือนกันนะครับเอาท้ามฝนมาอาบนะำน้ำข้ามน้ำขามนะครับเรื่องทานน้ำมันทานน้ำมันไม่ใ่ข้มล้ำขามนะพอคนปวยร่างกายเหนยใช่ไหมทไมมาแนนะครับเรื่องให้ลุกขึ้นนะครับให้ท้าที่ป่วยลุกขึ้นนะให้ลุกขึ้น้อ้าว้นนท่านป่วยหนักนะลุกไม่ไหวแลมอน้ข้านแล้วก็เลือกให้ล้มนะครับให้ข้าที่เจ็บป่วยล้มลงนะข้าจะนั่งอะไรถ้าล้มไปแล้วก็มอน้ำา เรื่อายเรื่องผ้าใส่เรื่องผ้าก็ควอนท่ายั่นเจ้าป่วใช่ไหมก็ก้อนท่ายั่นก้อนก็อนมาอะไรครับให้กายด้วยนะสัสาเรื่องเราก็ก้นให้สีผ้าผ้าใส่ผ้าม้วนผ้าไม่ต้วยเป็นนะครับสารหรื่องกันนั่นเป็นไม่เป็นที่มีจิตณาเป็นนะครับเรื่องจิตนาไม่เป็นนะครับถ้ามีจิตนาเป็นถ้าเขาไม่ท้าึงจิตใจนะเรื่องมีคัากับทุ้สองเรื่อง ก็คือให้ยาทาแท้งนะครับอันนี้เป็นฟาราเชตนะครับี่สูจนนะทำาะยาครับหญิงคนนี้ไปมีมทอ้ทองกับทูนะท้องกับูนะที่คนนั้นก็จะขอให้ ท, ทำยาให้ข้าวทำยาให้นะครับมเหนท้องตามเป็นฟาราชตนะครับเรื่องหญิงร่วงสามีสองเรื่องก็ทานอนในการครับก็ขอยห้ขาวช่ประกอบยาให้นะคือหญิง่วสามีเนี่ยแกเป็นญิ่คนหนึ่งที่มี คือสามีกับภรรยาสองคนใช่ไหมครับภรรยาอีกคนหนึ่งของสามมีล kind of ูกม ah ีท้องนะแต่เขายม่มีท้องครับก็ลยมาขอยภาพระปริญญาให้หน่อยก็จะได้มีคนนั้นจีนก็จะได้แท้งูครับคุณพ่อจะช่วประกอบยาให้อย่างนี้อันนี้นะครับข้าวขาแรกลูกตายนะเรื่องแรกลูกตายื่อวมีสองลูปไม่ตายแต่ไา่ได้ตายแต่พระที่กลังมีสองกำลังมีอยครับแล้วก็เรื่องต่อไปก็ เอายา ใ, าให้แม่กินแหละตายให้แม่ให้ลูกเลยนะตายพร้อมเลยนะเรื่องก็เหมือนกันนะครับเรื่องสองไปก็แม่ตายอย่างเดียวแล้วู่กไม่ตายแล้วคนเรื่องอให้รีดก็มีอบางสิการมาถามพระว่าข้อทองทำในค้อมากาเด็ดของใไหมพก็แนะนาให้เปรีดไม่ได้ทำเองนะแต่แนะนำให้ปรี่เด็ดฟองนะเป็นความาชีพเรื่องให้หน้าให้น้องด้ไฟก็เหมือนกันนะรเรื่องหนีหมันนะ ทำยาหนีหมันใชหมแกอยากจะมีลูกนะครับพาะทายาให้แต่แกตายนะครับอันนี้ก็เล่มาขึ้นสนานะครับเรื่องหนีปกติข้อของการให้ทระปรุงยาให้นะรับรุงยาแบบว่าจะได้ไม่มีลูกนะแกมีลูกหวนไปนะครับพอพระทำยาให้แกตายก็ไม่เป็นนะครับเรื่องจีนเรื่องเราจีนคือพระสมาคีนะไปใกล้งพระสัตรัดชมาคีนะครับที่นาที่นอกหัวเนะครับหัวเราจะหายใจไม่ทันตายนะครับ <laughs> อันนี้ไม่เป็นปบาใช่เราก็ไม่เจอในอะ่างเราแต่คําวยุบหกเลยนะหกนะครับแต่ว่าเป็นอะไรีนะทีรือหนึ่งนะเน เ, เรื่องข้าวอเรื่องครับอันนี้พระสกนัดสัตว์ต่วีก็แก้ไคคือมากนะเขามานั่งข้าวพระสัตว์ทีนครับเข้าไปจับแมเรูปหนึ่งใช่ไหมพระสัตว์ตะวีตัวแรกนะครับแต่ว่าถ้าใส่พั้วหน้าานนลนะะุงนะครับจับแม่ก็มาล้มขั้วนะครับรูมหนึ่งท็ให้ล้มลงนะ แต่วคน่เหลือต้องมาแนบถ้ําถ้ําถ้ําถ้ําโดดท้ํนะจนก็เสียก็เพียงตายรูปหนึ่งครับอันนี้ก็มันเป็นปรวัติชีพเพราะไมบางท่านจะฆ่าแค่บา่าตองคนนึ่ครับแต่ว่ามันเปินางอีกทีนะเรื่องยักษหนึ่งเรื่องับเรื่องยักษหนึ่งเรื่องหนึ่งนะขอฆ่าฆ่ายักษ์นะครับฆ่ารุ่ยจะหาคงไปข้ายักา์นะครับอันนี้ต้องประวัติชีพเกิดในสมบัติร่างใจนะครับฆ่ายักษ์ไปนะ แล้วก็เล่นส่งไปสู่ที่มีสสารระยะอยดอ้าหรือเปล่าอันนี้เ็อเรื่องยังงคือผ้ารุ่หนึ่งใช้ผ้ารหนึ่งไปสู่วัตถุห น, นึ่งะครับแต่เป็นว้านน้าแต่ว่าถุนี่ ม, มียาดหูดอยู่นะพอผ้ารนั้นไปนะครับถยักผ้าตายเลยนะ้ารูปนี้ก็โรยตาใช้ไหมที่ไม่จ้า ก, ก็ว่าไม่เป็นพาราซีนนะครับเพราะไม่ไเจียนานให้เขาไปตายนะมีข้าจะไม่รู้นะครับแต่ว่ารูทุที่ส่งมีเจนาะสง่สง ไ, ไปตายดี พอเขาไปถึงยัาฆ่าตายต้น ป, า, ป า, า, าสิครับลูกเิสาก็ส่งให้ต้องการไปตายนะแต่ไม่ตาแล้วก็เป็นนสยนะ อ, อันนี้ก็เหมือนกันเรื่องส่งไปสู่ที่มีศักยภที่มีโจรก็เหมือนกั น, นครับเรื่องสาคัญแน่สีเรื่องครับก็คือพรต้องการฆ่าคนแล้วที่สูนี้เนี่ยแกมีคนผู้เหอยู่น ะ, ะแกก็เไปฆ่าตอนแรกจะหมายกันก่อนว่าใช่คนคู้่เราจึงหาแกก็เ้าไถูกใช่ไแล้วก็ไปฆ่าส ค, คนครคับ คำที่สองเข้าใจผิดแต่ข้างถูกคนนะครับไม่เรื่อใจแน่นะเข้าใจอันนี้คนเดียวไม่ได้สั่งใครนะครับเข้าใจถูกข้างต่เป็นประราชินใช่ไหมเข้าใจผิดคนแต่เราไปข้างริงถูกคนเราเป็นปรราชินนะครับแล้วก็เข้าใจนะเข้าใจถูกคนแต่ข้างผิดเป็นปราชินะครับเข้าใจผิดคนนะครับคือเราต้องการข้างตัวนี้เนี่ยแต่เราเข้าใจว่า คนนี้อยาเป็นคนนั้นนะครับเห็นใช่ไหมเข้งการค่าในกอนะแต่มีนายขอที่มีหน้าตาคล้ายในกองใช่ไหมครับเราก็ิ่มจะค่านขอแทนพ่อแกมีหน้าตาค้ายในกองนะเขาเป็นปราชนครับไม่เป่ยนไปเหว่าเขา่าคนอ่ะไม่ใช่ตอนนี้กาลังฆ่ามีเดอนแต่่า่างนี้อยู่ครับเป็ในข่าเดปิดเฉยนะอ้าวแล้ววันนั้น่ได้่าแล้วไม่ได้่าครับอ้าวแล้ววันนั้นทำไมไม่เป็ี่ยน นี่มีที่ยิงมมุขสอนไปยึดหน้ามันติดเต้าไงอันนี้จงลงไปตรงนี้เลยนะเห็นว่าเข้าใจผิดเฉยก็มีคนยึขนมาแพข้าวอบแพ้รั่นเนะดข้าวไหนก็เป็นมาลดเหมือนกันใช่ใช่ครับถึงจะข้าติดตัวเองไยผสมนะ้ม่เจ๊นั้นก็เป็นพวกแต่เปคิดตัวนั้ยล่ะก็เป็นคนนั่ะใช่เขาแรงมาที่นั่งรอบคนอื่นเมื่อไหร่แต่มันไปโดนพ่อแองด้หรือพี่อ้อครับ แต่นี่แรงไปคนนี้จริงีลยเนาะแรงไปคนนี้เลยนะแต่คนอื่นตัวเป็นคนว่านะคนละกรณีเนี่ยเลี้ยวเกียนที่นัุการีนี่นะถ้าก็หมายเป็นปตูตาสีหมวยนะครับข้าใจปิดข้าใจถูกข้าวผิดข้าถูกนะแต่ว่าถ้ามีภายตาถ้าคนเลยข้าให้มัใจไปก็เป็นกรณีเช่นนั้นคับสี่เรื่องนี้เรื่องปัญหานะครับก็มีข้าถูกที้เข้านะ ก็เที่ยวจะช่วยผีมันของเขาก็เลยจับมาซ้อมถ้าถ้าไม่ได้บอกว่าทำไงนะถ้าบอกว่าทำหน้านะครับอันจะซ้อมทุกตีนะจนรื้สึกผีเข้าตายเลยนะครับต้องการจะทำกับผีแล้วให้ผีออกอันนก้คนตาแคนครับรื่มีเจ้นยมีบาลชิ่มีเจ้ยไมีบาลชินนะอย่างนี้รัแล้วก็เรื่องธารนาสวัสดิ์ให้คนที่ใกล้จะได้ความค คนที่เาเกิดเหีเห็นงาด้วยนะาก็เลยตายนะทำจนให้ตายนะแต่ถ้ารุนนี้มันมีเจตนาแค่เขาตายนะครับไม่เป็าระชีพถ้ามีเจตนาเป็นนะครับถ้ามีเจตนาแต่องไม่ตายก็ถือว่าตนะคแล้วพนันนานมล็อกเห็นว่านี้ทาความช่วมันนี่น่ามากมานะใกล้ตายเพื่อนคนพนันาเล่าใข้าสนะครับแกบอกใจตายเนยแต่ถ้ามันมีสจนาก็พูดตามความเป็นจริงนั่นแหละมีเจตนา ไม่เป็นเลยเขาแต่ถ hmm. hmm. okay. okay. ้ามีจิตนาก็เป็นแล้วก็เรื่องต่างต้นไม้ที่เมืองนัมีสามเรื่องครับก็รูปหนึ่งใส่รูปหนึ่งให้มีตรงนี้่าต้นไม้นะรูนั้นต่าต้นไม้ต้นไม้มนทํบเปลี่ยนไปรูปทีสามที่ม่เปล่ยนไปที่มมีจิตนาถ้ามีก็เป็นเทาถ้าเขาไม่ตาะเหถือใจนะเรื่องเผาป่าสามเรื่องครับก็ะฉพาะทีไปคานองนะเผาป่าครับทีนี้ไฟสาลาไปเป็นไฟพม่าตาย ไม่มีเจตนาไม่เป็ามีจตนากเป็นนครับถ้าเขาไม่ตานถึงักใจนะถ้าเขาไม่ตมีเจตนาถึงรักใจนะครับเรื่องอย่างให้ระมานึงเรื่องครับพระแนะนำพวกทีจะฆ่าครับบอกว่าเวลาฆ่านล้วโทษนะความแบให้ขานความแบบให้มันตไปทีเดียวเลยไปแนะนำฆ่าอย่างนี้นะครับนั่าโทษมาตำตาท่านจะค่ามาตำานะความหลอย่างไรเหื่อหมขาไปทีเดวเลยนะครับตำตาฆ่า่ากราชี แน่นอนดีท่านคนนี้ก็ไม่ได้นะทำมาชินะครับเรื่องที่สองก็าแน่นอแต่เขาไม่ทำตาทาก็ไม่รู้นะรแล้วก็เรือให้ดื่ม่เปลี่ยนหรือเรื่องครับก็มีคนอยู่คนหนึ่งนะัแกคนที่แขนงว่หายนะมาอยากที่น้องนนะอ จ, จะเอามาเี้ยนะแต่ไม่อยากจะเลี้ยอีกให้มันตายแต่มันดีนะครับเป็นภารําอะไรก็ไม่ได้ใช่ไากิเไปนแปน่นาอ า, นน า, าอเขาไม่ได้แ่ะอแค่มันดื่มเปลี่ยนมันจะได้หายเขาก็เลเาเปลียวก็ให้คนนี้ดื่มดีครับ แล้วคนหนุยยนเรนนนนนนนนวนรหานั่นก็ตายจริงนะฆ่าเป็นบาชื่นเลยคั้คนได้ถือปืนมานี่จับปอกหมาเลมเอาจนตายเลยนะและการหยุดยาเรานะาเสก่อมจิตสกดตองคำกันนะครับใกล้คนหนุนวรห้างหมด่าเรานี้ครับแล้วเขาตายจริงถ้ามีคนแนะนาก็ต้องคนัชชีนะครับอันนี้นะเลาเป็นาหนุนครับดัดสมุดเลย่าแบบอะไรนะใหม่แม่เพื่อ video yeah, ก็เกิดความกรุณนาขึ้นนะครับเกิดกุณนาจริงนะทั้งเป็นผู้มีความต้องการจะให้ตายด้วยแต่โทสะไม่เข้ามาแทะใช่ไหมต้องการให้เขาตายด้วยเหมือนกันครับอันนี้เปได้บางทีเนี่ยกุลนาดีๆแต่ปยายามไปไม่ถึงใช่ไหมไอ้โทสเข้ามาแทะความกุลนาที่รับที่รับกับทาว่าเข้าอย่างนั้นไม่ได้นะเลยต้องการให้เขาตายด้ยเรืจบๆไปนะครับดูความคิดนี้นะต้องการกห้าตายด้วยนะครับ แต่ไม่ทราบว่าไม่รู้ตัวหรอว่าตัเองมีความป้องการให้ก่อตางทุกยจึงจึงแนะาำคุณความตายอย่างนี้ว่าท่านเป็นผู้มีสีได้ความดุสนมาแล้วก็เห็นใจเมื่อจะตายจึงกลัวาาเลา่ามารื่ยๆกลัวตายทาไมก็มีสีแล้วทำดุสไม่ดีแล้วนะขึ้นชื่อว่าสวรรค์ของผู้มีสีเป็นของเลื่อนเรื่องเป็นความตายเท่านั้นไม่ใช่นแค่ตายเรื่อนไปสวรรค์แล้ว่านก็มีสีไปไห น, น อยู่แค่ตรงกางไม่ตายท่านเองนะครับที่สูนั้นแล้วก็ฟังแล้วก็เชื่อแล้วก็จยตายแนละ้วก็ตักอาหารนะครับเพราะการพนันคืงความตายของที่สูเหล่านั้นแลวก็มกาารณะภาพปานกลางนั่นเองเพราะเหนั้นทนะี่สูเหล่านั้นจึงต้องอานกตงนะครับก็บังไม่ดีนะก็เจอใครเจ็บใครหัวไม่ตาย น, นะครับอย่าไปพูดอย่างนี้นะเนี่ยตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดอย่างนี้ตัวหน่อนว่าท่านตายเสียหรืเอเปาเป็นไม่ได้พูดนะครับ พูดแต่ว่ามันก็มีสีมีอะไรแล้วใช่ไหมจะไปวรตามทาไมนะครับแล้วไอ้สวรรค์ของคนที่มีสีเนี่ยแค่แค่เรื่องนะถ้าตายก็ได้แล้ครับในพูดลำเลานี้นะเกิดมาจิตพิชัยก็ตายขึ้นมานะครัวยนะี่เป็นประลาชิบประเลยนะครับก็มีโยมคนหนึ่งนอันนี้เป็นยายแกเชื่อมันจะไม่ไดาจารย์่านมาฟังนะครับตอนนี้แกมีชีวิตีกล้วจะมาทมาทำขึ้นนมาขึ้นาเป็นอครับ มาเต้าม้นต์พิชนพานะกินมือเตามี่นองแกอร่อยมากคนระับพาพมันหอมดนะทีนี้นะครับแกก็อายุมากแล้วก็ป่วยเจ็บหนักนะแล้วก็จะตายแล้วถ้าไปเยี่ยมแกนนะกีนรูปลุกไปเยี่ยมแกก็ให้แกรงนะโอ้ ย, ยไปคิดมากเลยเนี่ยรูหน้าก้อนโตแล้วไม่ต้องห่วอะไรหรอกครับมันจะให้แกรงนะแค่เก็บไปดีๆมันจะไม่คิดห่วงอะไรนะครับยายคนนี้แกฟงแลยพอใ กค่ไอ้มก็มาแช่งน่ยทำไมไม่กำลังใจอะไรเนี่ยแกอยากจะมีชีวิตอยู่นะเนี่ยท่าทำให้ฟองอย่างเดียวเป้องว่างใส้องิน้ราคิอะไรมากนะแกก็เลยโกลถึงขนาคุย่หนักเลยตอนนั้นกูโง่ลูกแบบแม่ไม่ไหวแล้วะแต่พอผ้าเหนือเลยก็ไปพุดนนะครับแกโกรธใจนะครับอาศัยราเพื่อสุดท้านความโกล่นะลุกมาเตียงเลยครับแล้วก็มาว่างใส่ผ้าเลยเป็นครั้งสุดท้าย เล่าให้หังล้มตายใช่ไหมใช่่เราทำแต่เขาต้องขึ้นมาเขาว่าผมจไม่ได้นะเขาว่าข้าเขาอยากเห็นนะ้าหมูก็เขาว่าหมูมันอยากเห็นจะตายนั่งอยู่นานนีครับผมจข้า่ขนานี้ที่นายจางผมเลยแนะนำว่าถ้าใครเจ็บปวดหรือหนักเท่าไหร่เค่ไหนก็แล้วแต่นะจะไปพูดอะไรบีบ มันมีข้อดี่วเราไปแช่ใข้อตาใช่ไหให้กำลังใจข้อมีปากเรา<ม>เขาารา<ม>้อจะรู้สึกสบายใจมากนะหรือถ้าแนะนําอย่างนี้นะครับให้พูดอย่างนี้มากนะครับแต่ควรให้คำพ้ำสอนอยู่ในว่าความเกิดขึ้นแห่งมากและผลข อ, ของท่านผู้มีสีเป็นของไม่แน่กันเลยฉะนั้นท่านไมยควรทำความเกี่ยวข้องแในสถานที่มีวิหารเป็นต้นควรข้อสติให้เป็นไปต้องเป็ยนจ้าง ถ้าทำประสงค์และรายการทำความประมาทนึกติดการเถอะเพื่อ้ห้เจ้าใจรลยกรรมฐานี่มีหวับแนะนําไม่เข้าเจริญกรรมฐานเกินสติปัญหานะใส่ใจอิทธิยามบบรุ่นานไปเลยครับถ้าตรงนี้สะดวกแล้วทำไมมันมีใครครอบครัวแล้วมันทะเลเนียาใส่ใจงสติปัญหาไปเลยเนี่ยก็เหมาอนุนนานไปเลยก็แนะนานมีแทนนะครับนี่แหละเจอเหนื่อยนะให้ทำแทนทำมีเรื่องมั้ยค